หพ่อเดิมถามพระเจริญขณะที่ภิกษุหนุ่มทำหน้าที่นวดเฟนให้ท่านห้าเดือนครึ่งแล้วครับหลวงพ่ออีกสิบห้าวันจะครบหกเดือนภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นตอบแล้วได้เรียนวิชาอะไรบ้างท่านหมายถึงว่าตั้งแต่คุณมาอยู่ที่วัดนี้ได้อะไรจาก ท่านบอแทนคำตอบพระหนุ่มกลับถามว่าวันนี้หลวงพ่อมาแปลกเกิดอะไรขึ้นหรือครับตอบคำถามท่านมาก่อนยาทะเลทันไลภิกษุชราพูดจริงจังก็วิชาคาถาอาคมต่างๆ ต, ตำราพิชัยสงครามแล้วก็คาถาทำให้ผู้หญิงรักครับแต่ผมไม่ทราบว่า คาถาผู้หญิงที่หลวงพ่อให้นะ่ะจะคลั้งแค่ไหนตั้งแต่ทดลองกับพวกสาวๆนะครสวรรค์แล้วถูกเขาด่า ก, ก็ลไม่กล้าทดลองอีกท่านตอบตามตรงเอาละเอาละ่ะเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่ท่านกำลังจะบอกคุณฟังให้ดีนะท่านยังไม่เคยบอกใครมาก่อน คุณเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่จะรู้แล้วก็ให้เก็บไว้เป็นความลับอย่าแพร่พลายให้ใครรู้เป็นอันขาดถ้าเช่นนั้นหลวงพ่ออย่าบอกผมเลยครับผมมันคนปากโป้งเก็บความลับไม่ค่อยได้บอกเนนวาดีกว่าบอกคนอื่นไม่ได้นอกจากคุณคนเดียวเท่านั้น ลุงพ่อเดิมพูดเสียงหนักแน่นเนนเวาไม่ใช่คนอื่นนะครับเป็นเลนชายของหลุงพ่อผู้อ่อนวัยกว่ยแยง้งเอาละเอาละอย่ามัวพูดเลวไรไรสาระท่านเคยพูดหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือว่าคุณเป็นคนที่ท่านเลือกสันแล้ว เพื่อจะทายทอดวิชาทุกอย่างให้เพราะฉันนั้นก็จงตั้งใจฟังให้ดีครับผมจะตั้งใจฟังหลุงพ่อพูดได้เลยครับหลุงพ่อเดิมถอนหายใจเบาๆแล้วจึงพูดด้วยเสียงปกติว่าอีกสิบห้าวันฉันจะละสังขาร พูดจบก็นอนหลับตานิ่งเหมือนว่าได้ยกของหนักออกไปจากอกคนฟังนั่งตัวแข็งทื่อมือไม้อ่อนปวกเปียกจนไม่สามารถจะนวดต่อไปได้คำบอกเล่าของลุงพ่อเดิมทำให้ท่านตกใจนะก่อนตายท่านอยากจะมอบวิทาา ย, ยางหนึ่งให้คนภิกษุสูงวัยพูดทั้งที่ยังนอนหลับตา ผมไม่อยากได้วิชาครับผมอยากให้หลวงพ่อมีชีวิตยืนยาวต่อไปอยู่ให้ครบร้อยสิบปีนะครับหลวงพ่อพระหนุ่มอ้อนวอนฉันตามใจคุณไม่ได้แน่แน่เธอไม่เล่าว่าถ้าฉันยอมอยู่จนครบร้อยสิบปีคุณก็ต้องขอใหม่อีกนั่นแหละวะ่าให้ครบ ร้อยสิบเอ็ดปีแล้วก็ร้อยสิบสองปีต่อไปรื่ยเรือ่อยฉันไม่ตกลุงกับคุณหรอกแค่นี้ก็ทำให้คนอื่นเขาเป็นภาระมากแล้วท่านหมายถึงส ม, มนเนณเนนเวาผู้ซึ่งคอยดูแลรับใช้อย่างใกล้ชิดนับแต่ท่านอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ งั้นก็ขออีกสองเดือนนะครับพระหนุ่มไม่ละความพยายามไม่ได้ฉันพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นถ้าเลวไหลหลาะแหละเหมือนไม้หลักปักเลนใครเขาจะนับถือคุณจำไว้นะคนที่พูดมาอยู่กับร่องกับรอยนะ่ะใช้ไม่ได้ ถ้าเป็นชายก็เป็นชายใหม่จริงเป็นยิงก็เป็นยิ่งใหม่แท้ต้องเป็นชายจริงยิงแท้ถึงจะเป็นคนแก่ที่น่าบูชาภิกษุสูงวัยถือโอกาสสอนสั่งผมยังไม่แก่ครับยังหนุ่มแน่นลอเลา้าคนฟังพาเฉออกนอกเรื่อง หากภิกษุชรากลับดึงเข้ามาในเรื่องด้วยการสอนว่าอย่าหลงรูปนักเลยคุณทาวัดสวดมนต์อยู่ทุกวันไม่ใช่หรือว่ารูปปังอนิจจังรูปไม่เทียงรูปปังอ น, นัตตารูปไม่ใช่ตัวตนยาสักแต่ว่าสวดคลองปาก จะต้องนำมาใช้ให้ได้ด้วยคนดีแต่พูดนั้นมีอยู่เกลื่อนกลาดส่วนคนพูดจริงทำจริงนี่สิหาอยากเอาละเลิกพูดเรื่องเล้วไหลกันเส็ียทฉันกำลังจะบอกว่าจะมอบวิชาอย่างหนึ่งให้คนคาถาเรียกพระเข้าตัวใช่ไหมครับถามมยังตื่นเต้นเพราะหลวงตาอุ้ย มาคุยให้ฟังว่าคนที่มีคาถาเรียกพระเข้าตัวได้จะกลายเป็นผู้วิเศษสามารถทำอะไรๆที่คนธรรมดาสามัญทำไม่ได้หลวงพ่อเดิมจึงพูดอย่างรู้ทันว่าคุณไปฟังตาอุ่ยมาอีกนะสิขอเตือนว่าอย่าไปเชื่อตาอุ่ยแกนักเลยตาคนนี้ เือได้ไม่ถึงร้อยละสิบกรัมมังถ้าคุณอยากได้คาถาเรียพระเข่าตัวนะ่ะไม่ยากแต่ตำรับของฉันกับของตะอุอย่ยไม่เหมือนกันหรอกนะของฉันนะ่ะของแท้ส่วนของตะอุ่ยเป็นของปลอมคุณอยากได้ของแท้ หรือของปลอมหลักของแท้ครับใครบ้างจะอยากได้ของปลอมประโยคหลังพูดเหมือนบน่นถ้าของแท้แล้วก็ไม่อยากไม่ต้องใช้คาถาด้วยเพราะคาถาเรียกพระเข้าตัวนะ่ะไม่มีหรอกมีแต่ทำตัวให้เป็นพระเสียเอง สิขาบทสองยสเจข้อถ้ารักษาไม่ขาดตกบกพร่องก็เป็นพระได้ไม่ต้องไปเอาพระข้างนอกมาเข้าตัวแต่ทำตัวเองให้เป็นพระดีกว่าแล้วก็ง่ายกว่าด้วยจำเอาไว้ นี่คือวิชาที่หลวงพ่อจะมอบให้ผมใช่ไหมครับถามเนืยๆความตื่นเต้นเมื่อครู่หดหายไปไม่ใช่หรอกที่ท่านจะให้คุณเป็นอีกแบบหนึ่งมีคนมาขอจากท่านนับร้อยรายทั้งพระและครวญว่าแต่ท่านไม่ให้ เพราะไม่มีใครเหมาะสมที่จะได้เรียนวิชานี้นอกจากคุณวิชาอะไรครับดูเหมือนความตื่นเต้นจะกลับคืนมาอีกครั้งวิชาคดฉสตรพระเจริญรู้สึกผิดหวังรีบปฏิเสธว่าผมไม่เอาครับลุงพ่อไม่อยากได้ลุงพ่อเดิมเปลี่ยนจากท่านอนสบายสบาย มาเป็นลูกนั่งตัวตรงประกายตาแวววาวที่มองมายัางพระหนุ่มดูมีอำนาจลึกลับจนอีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวท่านยกมือขึ้นช้าช้านิ้วเหี่ยวย่นชี้มาที่ใบหน้าผู้อ่อนวัยกว่ายอยิงโยโซเป็นแมงป่องผู้ใหญ่ให้อะไรต้องรับไว้ก่อน คุณรู้ไหมวิชาคติศาสตร์ที่ฉันจะให้นี่นะมันจะมีประโยชน์สำหรับคุณในภายภาคหน้าคุณจะได้เรียนรู้วิธีต่อทางป่าการกำราบทางตกน้ำมันการดูแลทางคนมีวาสนาบารมีเท่านั้นถึงจะเรียนวิชานี้ได้ ท่านจารณัยถึงความสำคัญของวิชาคาสตร์ลุงพ่อครับช้างป่ามันก็อยู่ในป่าตามธรรมชาติของมันมันตกน้ามันก็ไม่ใช่เรื่องของผมทำไมผมจะต้องไปเรียนไปรู้มันด้วยล่ะครับพิกษุหนุ่มไม่รู้สึกอยากได้วิชาที่หลงพ่อเดิมบอกว่าใครๆมาขอเรียนท่านก็ไม่สอนให้แล้วคุณคิดบ้างไม่ว่ะ ทำไมฉันถึงไม่สอนให้คนอื่นทั้งที่พวกเขายากได้กันเลอเกินนี่คุณฟังฉันให้ดีนะที่ฉันจะมาะวิชานี้ให้คุณเพราะต้องการตอบแทนที่คุณมาปฏิบัติฉันด้วยการนวดเว้นให้ทุกคืนไม่ว่างเว้น ฉันสาบซึ่งในน้ำใจคุณจึงอยากจะมอบพ้องดีที่สุดให้มิฉะนั้นวิชาที่ว่านี้ก็จะต้องตายไปกับฉันเพราะถ้าคุณไม่รับฉันก็จะไม่ให้ใครทั้งนั้นและขอให้เชื่อไว้อย่างหนึ่งว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคุณ ในภายภาคหนะ้าลองตรองดูให้ดีคำพูดของภิกษุชราทำให้พระเจริญนั่งนิ่งอาการนิ่งของท่านเท่ากับยอมรับโดยปริยายหลวงพ่อเดิมจึงพูดขึ้นว่าเอาละ่ะคืนนี้พุนกลับไปพักผ่อนได้พรุ่งนี้ท่านจะเริ่มตนสอนให คิดว่าคงไม่ยากเพราะคุณสำเร็จทานด้วยกะสินมาแล้วโปรดจำไว้ว่าคุณจะได้วิชาคติศาสตร์จากฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายภิกษุผู้มาจากต่างถิ่นกราบท่านสามครั้งแล้วจึงกลับกุฏิที่พัก ก่อนหลวงพ่อเดิมจะมรณภาพสามวันพระเจริญก็เรียนจบวิชาคดศาสตร์วันที่ท่านเรียนจบภิกษุชราก็อ า, าพาธทันทีเหมือนกับว่าที่ทรงสังขารไว้ก็เพื่อจะรอสอนวิชาสำคัญให้สิทธิผู้นี้อาการอ า, าพาธของท่านสุดหนักลงอย่างรวดเร็วก่อนมรณภาพท่านได้พูดกับพระเจริญ และลูกหลานที่มาคอยปรนิบัติว่าน้ำในสระพอกินพอใช้กันหรือเปล่าหลานชายวัยหกสิบเศษตอบว่าไม่พอหรอกครับหลวงปู่มันแห้งคอดถึงก้นสระแล้วในสองสมวันนี้หากฝนไม่ตกคงต้องอดน้ำกันแน่เอาลละท้าที่นั่น พวกเจ้าก็ช่วยกันแต่งตัวให้ขาน้อยแต่งให้ครบทั้งสบงตีวอนและสังคาติเนนว่าพระเจริญและลูกหลานที่เป็นผู้ช่วยจึงช่วยกันครองไตรจีวอนให้ท่านจากนั้นภิกษุชาราจึงนอนหลับตามือสองข้างประนมไว้ที่อกปากขมุกขมิบ เพราะสวดภาวนาคาถาเจริญอาโปกสินเพื่อเรียกฝนท่านบริกรรมอยู่ประมาณ10นาทีเมฆฝนก็ก่อตัวขึ้นจนดำมืดไปหมดไม่นานฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจนน้ำเต็มสระและเมื่อฝนขาดเม็ดภิกษุวัยร้อยสามปีก็ขาดใจพวกลูกหลานที่เป็นผู้หญิงส่งเสียงร้องไห้ระงม ที่เป็นผู้ชายก็ตาแดงแดงเหมือนจะร้องไห้หลวงพ่อเดิมท่านเป็นร่มโพร่มใสของลูกหลานก็ย่อมเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะโศกเศร้าเสียใจในมรณะกรรมของท่านพระเจริญก้มลงกราบที่ปลายเท้าของภิกษุชราศพน้านิ่งอยู่ตรงนั้นชั่วครู่เพื่อกลั้นน้ำตา ท่านเป็นพระภิกษุหากว่าร้องไห้ก็จะอับอายคารวาสเพียงหกเดือนที่มาอยู่กับหลวงพ่อเดิมท่านได้ความรู้และประสบการณ์อันมีค่ายิ่งโดยเฉพาะวิชาคตศาสตร์ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์คนเดียวที่ได้เรียนบัดนี้ท่านได้ประจักษ์แล้วว่าการครองสมณเพศมีโอกาสทำประโยชน์ให้ส่วนรวมได้มากกว่า การเป็นผู้ครองเรือนหลายเท่านักดูแต่หลวงพ่อเดิมเป็นตัวอย่างแม้วาระสุดท้ายของชีวิตมาถึงท่านก็ยังทำประโยชน์ด้วยการช่วยให้ลูกหลานและชาวบ้านได้มีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้ภิกษุหนุ่มเกิดศรัทธานในพิขุภาวะความรู้สึกอยากลาสิกขาปราศนาการไปสิ้นท่านตั้งปณิธานแน่วแน่ ที่จะดำรงอยู่ในสมณเพศต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไมมหลวงพ่อครับผมขอบวชจนตายจะไม่ยอมศึกหาลาเพศเป็นอันขาดหลวงพ่อคือดวงประทีปสองทางชีวิตที่มืดมนอนทการของผมให้สว่างสวยัยบัตรนี้ผมได้ตระหนักแล้วว่าพระคืออะไรมีหน้าที่อย่างไรทำอะไรได้บ้าง และพระที่ดีนั้นควรจะทำอย่างไรหลวงพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของผมเคยสอนสั่งผมอยู่เสมอว่าพระต้องทำประโยชน์ให้ประชาชนคุณต้องเจริญตามรอยบาทเสด็จพ่อของเราที่พระองค์ทรงส่งพระอรหันตสาวกห0สองค์จาริกไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกนั้นจุดมุ่งหมายคือ เพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากจำเอาไว้แล้วก็ทำให้ได้อย่างพระองค์ท่านผมจำได้ครับหลวงพ่อจำได้แม้เพิ่งจะเข้าใจทราบซึ้งเดี๋ยวนี้เองผมจะทำตามที่หลวงพ่อสอนครับพระเทพสิทธิ์นายกเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มาพำนักอยู่วัดหนองโพตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนที่มีการตั้งศพสวดพระอภิธรรมพระเจริญและสัมเนิน เ, นเวาเป็นหัวเรียวหัวแรงในการจัดงานด้วยว่าเป็นคนที่สนิทใกล้ชิดท่านมากที่สุดสวดพระอภิธรรมครบเจ็ดคืนแล้ววันรุ่งขึ้นมีการทำบุญเลี้ยงพระทั้งเช้าและเพนบ่ายโมงมีพระธรรมเทศนา โดยเจ้าคณะจังหวัดเป็นผู้แสดงเวลาบ่ายสี่โมงจึงประชุมเพลิงซึ่งมีผู้คนมากมายทั้งทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนด้วยว่ากิตติศัพท์ของหลวงพ่อเดิมระบือไปทั่วทุกทิศจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากและเพราะเหตุนี้ที่ทำให้ผู้คนเฮโลกันเข้าแย่งอธิของท่านทั้งที่ไฟยังไม่ทันดับสนิท พวกที่เฮโลเข้าไปก่อนคือตำรวจเพราะอยากได้อฐิของท่านไว้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยคุ้มครองตนเมื่อต้องไปปราบโจรผู้ร้ายแต่พวกตำรวจก็ยังช้ากว่าพระเจริญผู้ซึ่งอยู่ใกล้กว่าจึงคว้าเอาไว้ได้ก่อนใครเพื่อนท่านใช้ผ้าสังขติห่ออย่างดีตั้งใจจะเก็บไว้บูชาและเป็นอนุสติ ืนใจให้ใระลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อเดิมผู้เป็นปูชนีบุคคลของท่านและมวลสิทธิ์งานพระราชธาธนเพลิงสำเร็จลุ่วงลงด้วยความเรียบร้อยพระเจริญตั้งใจว่าท่านจะพำนักอยู่ที่วัดหนองโพเป็นคืนสุดท้ายรุ่งขึ้นจึงจะเดินทางกลับวัดพรมบุรีคืนนั้นท่านนอนคิดถึงหลวงพ่อเดิม นึกทบทวนตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาพำนักที่วัดนองโพความรู้สึกตอนนั้นกับตอนนี้ช่างห่างไกลกันลิบลับจุดมุ่งหมายของการมาที่นี่ก็เพื่อจะมาหาพระทำพิธีศึกให้ท่านรบเร้าหลวงพ่อเดิมอยู่หลายเดือนหากภิกษุชาราก็หาวิธีทำให้ท่านพ้นจากความหลงความกระวนกระวายอยากลาสิกขา ใช้อุบาย ต, าต่างๆทำให้ท่านเพลิดเพลินกับชีวิตสมณะกระทั่งท่านเกิดความสนใจและได้เรียนวิชาคาถาอาคมต่างๆผลสุดท้ายก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะไม่ศึกแม้จะเป็นการตัดสินใจหลังจากที่หลวงพ่อผู้มีพระคุณจากโลกไปแล้วแต่ก็ยังไม่สายที่จะเริ่มต้นครองตนเป็นพระดี ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อเกื้อกูลประโยชน์สุขแก่ประชาชนต่อไปในภายภาคหน้าวันรุ่งขึ้นพระเจริญก็กลาบลาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์และพระภิกษุวัดหนองโพเพื่อเดินทางกลับวัดพรมบุรีท่านนำหาออธิใส่ลงในย่ามตั้งใจว่าจะเก็บไว้อย่างดีที่สุด ขณะเดินทางจากวัดหนองโพมาขึ้นรถไฟที่สถานีท่านคิดว่าจะไปหาซื้อโกวยสวยๆมาใส่อธิของหลวงพ่อเดิมแล้วเลยนึกถึงเรื่องราวของท่านเมื่อครั้งยังเด็กตอนนั้นท่านอายุราว8ปดหรือเกขวบชอบเล่นโยนหลุมเป็นชีวิตจิตใจขโมยเงินโยมยายไปเล่นทุกวันอยู่มาวันหนึ่งโยมยายไปถือศีลที่วัด ท่านหาที่ซ่อนเงินไม่พบจึงขนโกดที่ใส่กระดูกปู่ย่าตายายซึ่งโยมยายสะสมไว้ถึงก้าใบนำกระดูกไปเททิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเอากดเปล่าไปขายได้เงินมาสองบาทท่านนำเงินนั้นไปเล่นโยนหลุมแล้วมันก็หมดไปในพริบตาวันรุ่งขึ้นโยมยายกลับจากวัด ท่านถูกเคี่ยนสองโหลโยมยายบอกว่าบาดละโหลและยังถูกเทศนาให้ศีลให้พรไปอีกเจ็ดวันช่างไม่คุ้มกันเลยกับการได้เล่นโยนหลุมเพียงแค่อึดใจเดียว